บทภาชนีติกปาปาจิตตีหนึยเจ็ดสิบแพิฆสุณีที่ไม่ใช่ญาตพิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาตเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ต้องอบัตปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติพิกษุไม่แน่ใจเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ต้องอบัตปาจิตตีพิกษุณีที่ไม่ใช่ญาตพิกษุสําคัญว่าเป็นญาติเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ต้องอบัตปาจิตตีติกาทุกกฏ ภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฝ่ายเดียวภิกษุเย็บหรือใช้เย็บจีวรให้ต้องอบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติเย็บหรือให้เย็บจีวรให้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรให้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติเย็บหรือใช้ให้เย็บจีวรไม่ต้องอบัต